ที่ว่าเป็นวันดีก็เพราะว่าเป็นวันที่เราจะได้มาส่งน้ำพร ะ, ะเป็นวันที่จะได้ส่งน้ำพระนะทางพระพุทธรูปแล้วก็พระภิกษุสงฆ์นะขณเดียวกันก็เป็นวันปิดไข่เนเนแล้วก็สิลจารินี ชาวนี้นะหน้าตาของสามเญชนรริริจานินี่ยิ้มแย้มแจ่มใสกว่าทั่วไปนะเ <c oughs> พราะอะไรนะเพราะจะได้ส่งน้ำพระหรือเปล่านะหรือดีใจที่จะได้กลับบ้านนะแต่ดีใจเพราะกลับบ้านนี่ยังไม่ดีเท่ากับว่าดีใจเพราะว่าเราได้ฟันเสาอุปสรรคตลอดสามอาทิตย์นะจนสำเร็จ มาถึงวันนี้ได้ถ้าดีใจประการหลังนะมันประเสริฐกว่านะเพราะว่ามันทำให้เกิดความภาคภูมิใจและความภาคภูมิใจนี่มันจะอยู่กับเราไปอีกนานนะท่านเรนฟังหน่อยฟังก่อนฟังก่อนเดี๋ยวไม่แจกประกาศนีบัตรนะเนี่ยบวชเนนี่จะสําเร็จเสร็จสิ้นได้ต้อง ไดประกาศเนียบัดนะเมื่อกี้บอกว่าดีใจเพราะกลับบ้านเนี่ยมันไม่ดีเท่ากับดีใจเพราะว่าทำสิ่งที่ยากฟันตจาอุปสรรคตลอดสามอาทิตย์เนี่ยจนสำเร็จมาถึงวันนี้ได้ถ้าเราดีใจเพราะได้กลับบ้านนะไอความดีใจก็จะอยู่แค่ชั่วคราว เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนเลยนะเพราะกลับไปถึงบ้านก็ดีใจไปเดี๋ยวเดียวก็หายแล้วมันอยู่ไม่นานแต่ถ้าเราดีใจเพราะทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จได้เนี่ยมันจะเกิดความภาคภูมิใจและความภาคภูมิใจเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปอีกนานนะหลวงพ่อเนี่ยตอนอายุ <c oughs> ใกล้ๆกล้กับพวกเรานะสิบสาสิบสี่เนี่ย ก็เริ่มสนใจขยันเรียนเรียนด้วยใจรักแล้ไม่ใช่เรียนเพราะกลัวไม่ใช่เพราะกลัวได้คะแนนแย่กลัวถูกพ่อแม่ดูดา่าแต่ว่ามีใจรักในการเรียนแล้วก็ขยันเรียนไอ้ความขยันมันก็ทําให้ความยากลำบากในการเรียนมันหายไป แล้วกเกิดความภาคภูมิใจในตนเองโดยเพราะเวลาทําการบ้านที่ยากๆให้สําเร็จได้ให้ความภาคภูมิใจเนี่ยมันก็เป็นพลังนะเป็นไฟให้สามารถทํำสิ่งยากๆดงกว่านั้นจนสําเร็จได้เรานึกถึงวันนี้ยวันเนี้ยเมื่อนึกถึงเหตุการณ์นั้นเมื่อ40ปีที่แล้วก็ยังมีความภาคภูมิใจนะมันเป็นความภาคภูมิใจที่ มีอายุยืนนะไอความสุขที่เราได้กลับบ้านเนี่ยนะถามว่าดีใจที่ได้กลับบ้านเพราะอะไรนะเพราะจะได้ไปเที่ยวไปเล่นได้กินของที่ชอบนะได้เล่นเกมออนไลน์นะได้ทําตามใจอยากได้นอนตื่นสายเนะี่ยอันนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวกินของอร่อยเนี่ยมันก็สุขประเดี๋ยวเดียวแต่ถ้าเราทํา ความดีทําสิ่งที่ยากให้สำเร็จได้เนี่ยมันจะเป็นความสุขที่อยู่ในใจเราไปอีกนานและสิ่งเหล่านี้นจะช่วยเราได้ในภายหลังในวันที่เราท้อแท้นะในวันที่เราท้อถอยอุปสรรคเยอะความยากลำบากมากมายแล้วมันเรามาระลึกได้ว่าตอนที่เราบวชเนหรือว่าบวชศีลจารีนีนี่ มันเจอความยากลำบากจนบางทีอยากจะร้องไห้นะแต่ว่าเราก็ฟันฝ่ามาได้ไอความสำเร็จนะที่ได้ทำตอนอยู่ค่ายเนนหรือค่ายศีนี่แหละนะมันจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในวันต่อๆไปผ่านไปห้าปีผ่านไปสิบ ป, ปีนึกถึงวันนี้ก็จะมีความภาคภูมิใจนะไม่เสื่อมคลาย และในวันที่เราท้อถอยเรานึกได้เราจำได้ว่าตอนเป็นเด็กนี่เรากัดฟันสู้นะเราทํำสิ่งยากสําเร็จได้มันก็จะเกิดความเกิดกําลังใจที่จะเอาชนะอุปสรรคนะและในที่สุดก็จะผ่านไปได้เพราะว่าปัญหาทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใจสู้หรือเปล่านะถ้าใจสู้มันก็ผ่าน ถ้าใจบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยอันนี้ยังไงก็แพ้ยังไงก็ไม่สำเร็จนะให้เราเราลึกถึงความรู้สึกดีๆนะประสบการณ์ดีๆในช่วงสามอาทิตย์นะหรือว่ายี่สิบสามยี่สิบสี่วันนะว่าเราได้ทำสิ่งดีๆอะไรบ้างเราได้ชนะใจตัวเองนะ เราได้เอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนของกินนะเราก็อยากจะได้น้ำอัดลมเราอยากกินแต่เพื่อนเนี่ยไม่มีเพื่อนหิวเราก็แบ่งให้เพื่อนกินเอาชนะความเห็นแก่ตัวในใจเราอันนี้เป็นการชนะที่ยอดเยี่ยมนะเมื่อวานนี้ก็พูดไปแล้วนะนักกีฬา ที่แข่งกีฬาโอลิมปิกนะแข่งแข่งสกีก็มีแข่งมาราธอนก็มีทุกคนอยากได้ชัยชนะอยากได้เรามาที่หนึ่งแต่เมื่อเห็นเพื่อนเนี่ยที่วิ่งนำเขาล้มก็หยุดช่วยเขาพยุงตัวเขาขึ้นมาแล้วก็หานาฬิกาให้เขาเนะ อันนี้เรีย ว, ว่าชนะใจตัวเองเป็นการเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากหรือว่าเพื่อนที่ขี่ เ, เล่นสกีนําหน้าแล้วไม้ค้าสกีมันหักคนที่อยู่ข้างหลังแม้จะเป็นคู่แข่งก็ยังหยิบยื่นไม้สกีให้คู่แข่งได้เล่นต่อจนได้ที่หนึ่งเองได้ที่สองได้เหรียญเงินแต่ภูมิใจนะ เขาบอกว่าเนี่ยชัยชนะที่เกิดจากการที่ไม่ช่วยเหลือคนอื่นที่ควรจะช่วยเนี่ยมันจะเป็นชัยชนะาที่ดีได้อย่างไรนะชนะใจตัวเองนี่ถือว่าเป็นการชนะที่ประเสริฐนะหลายคนตื่นเช้าไม่เป็นนะก็พยายามตื่นเอาชนะความง่วงจนสามารถตื่นเช้าได้มาทำวัดเช้าได้ทุกวันอันนี้เรียกว่าเป็นชัยชนะ นะที่ประเสริฐมากนี่คือสิ่งที่เราควรภาคภูมิใจนะอาหารที่ไม่ถูกปากนะสู้ที่บ้านไม่ได้แต่ว่าเราก็พยายามกินเพราะถือว่าเป็นอาหารที่แม่ครัวเขาทำให้เราด้วยความตั้งใจไม่ได้ทำเพราะคาาจ้างนะแม่ครัวที่นี่ทุกคนหรือพ่อครัวนี่ไม่มีใครได้ค่าจ้างนะ แต่ว่ามาทําเพราะเห็นว่าเป็นงานบุญเพราะว่ามีเมตตากรุณาต่อพวกเราเมื่อคิดเช่นนี้แล้วเราก็กินนะเราก็ดื่มเราก็ทานด้วยความขอบคุณแม้จะอร่อยสู้บ้านไม่ได้แต่เราก็มีความสุขใจสุขใจที่ได้ชนะใจตัวเองนะเหมือนกันนะเวลา เรามีของอร่อยๆของดีเนี่ยแทนที่เราจะกินเองเราก็ให้เพื่อนหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าเอาฟังนะเนี่ยอันนี้ของดีนะหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าเนี่ยไอ้ของดีๆเนี่ยถ้าเรากินเองนะประเดี๋ยวเดียวไม่ไม่ไม่กี่ชั่วโมงมันก็กลายเป็นขี้นะแต่ถ้าเราให้คนอื่นแบ่งปันให้คนอื่น มันจะอยู่ในหัวใจของเขาไปอีกนานมันจะอยู่กันในหัวใจขเขาไปอีกนานอาจจะเป็นสิบปียี่สิบปีก็ได้นีมีเรื่องเล่าเยอะนะคนที่เขาได้รับความช่วยเหลือแล้วเขาสำนึกในบุญคุณของคนที่ช่วยเหลือเขาผ่านไปยี่สิบปีเขาก็ยังช่วยอยู่เขายังเลือดถึงบุญคุณอยู่ ถึงเวลาคนที่ช่วยเขาเนี่ยเดือดร้อนนะเขาก็ยินดีช่วยเต็มที่นะ เ, เพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ให้เราเนี่ยรู้จักความสุขที่เกิดจากการทําสิ่งดีๆความสุขที่เกิดจากการทําสิ่งที่ยัง่งยืนสำเร็จได้นะและถ้าเรามีความสุขแบบนี้นะ เราอยู่ที่ไหนแล้วก็อบอุ่นใจนะทำงานก็มีความสุขเรียนหนังสือก็มีความสุขนะจะเรียกว่าใจเราเนี่ยมีบ้านอยู่คอยรักษาให้อบอุ่นอยู่เสมอมบ้านที่มันเป็นอาคารนะที่เราจะกลับไปวันนี้ ม, ม, มันไมไ ม, ไมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวนะ บ้านที่เป็นอาคารสร้างโดยไม้สร้างโ ด, ย, งดยอิฐ ก, ก็ดีเนี่ยมันไม่สามารถจะตามเราไปตลอดได้แต่ว่าความดีความภาคภูมิใจที่เราได้ทำขึ้นมาด้วยน้าพันน้าแรงตัวเองมันจะอยู่กับใจเราไปอย่างยั่งยืนนะเป็นเหมือนบ้านนะที่จะอยู่ติดตามใจเราไปตลอด บ้านที่มันเคลื่อนย้ายไม่ได้นี่มันยังเป็นที่พึ่งที่ประเสริฐไม่ได้นะแต่บ้านที่มันตามติดเราไปตลอดโดยเพพาะตามติดจิตใจเราไปตลอดนี่อันนั้นแหละเป็นบ้านที่ประเสริฐนะเป็นบ้านที่เกิดจากการทำความดีเกิดจากความภาคเพียรพยายามวิริยะอุตสาหะเกิดจากความมีน้ำอกน้ำใจนะอันนี้รู้จักบ้านชนิดนี้เอาไว้นะมันจะได้ไม่รู้สึกเหงานะ ไปอยู่ที่ไหนนะก็ไม่ไม่เหงาไม่ว้าเวเพราะว่ามีสิ่งที่คุ้มการติดใจเป็นเหมือนบ้านของใจนะให้เรารู้จักบ้านชนิดนี้ไว้นะบ้านของใจนะไม่ใช่บ้านที่รักษากายเท่านั้นอ่าแล้วก็เดี๋ยวเตรียมรับพร